ในการแตกต่างแห่งรูปขนาดของผู้เขาและก้อนหินและความหลากชนิดระหว่างขาวดําและแดงทั้งหมดนั้นได้แสดงออกมาถึงความยิ่งใหญ่ของพระผู้ทรงเอกาผู้ทรงอํานาจโดยเด็ดขาดบทนี้ได้กล่าวถึงสิ่งที่ประชาชาติของมุฮัมมัดได้รับช่วงมานั้นก็คือสารจากฟ้าฟ้าที่มีเกียรติยิ่งโดยการประทานคําพีอันประเสริฐ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 เคารพสการะรูปปั้นเวิตและหินบทประดิษฐ์ถูกขนานนามเช่นนี้เป็นการดำลึกถึงชื่ออันประเสริฐและคุณลักษณะอัน ง, งดงามในตอนแรกเริ่มของบทพระคุณลักษณะอันนี้เป็นการบ่งชี้ถึงความสวยสดงดงามการประดิษฐ์ให้มีขึ้นและการเนรมิตที่ไม่มีแบบฉบับมาก่อนในการนี้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 الحمد لله ت ا ط ِ ر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسل أدي أ ج ل ع ة ت متنا وتلك رباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.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 พวกเจ้าจงรำลึกถึงความโปรดปรานของอลัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเจ้าจะมีผู้สร้างอื่นใดนอกจาก อ, าอัลลอฮ์อีกหรือที่จะประทานปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเจ้าจากฟากฟ้าและแผ่นดินไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์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 มาหลอกลวงพวกเจ้าเกี่ยวกับอัลลอ์เป็นอันขาดถ้าจริงัยตานนั้นเป็นศัตรูกับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจึงถือว่ามันเป็นศัตรูแท้จริงมันเรียกร้องพลพรรคของมัน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 س ََْ و ََ ه ُ ر ن أ ف ْ ي َ ت َ ل ن َْ ا ن َ ن ج ِ أ َ ف َ م َ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ ف َ ر َ ه ُ ح َ س َ ن َ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ م َ ن يَشَاءُ وَيَهْدِي م َ ن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ ح َ ر َ ا ت إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ดังนั้นผู้ที่ความชั่วแห่งการงานของเขาได้ถูกทําให้สวยงามแก่เขาแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งดีกระนั้นหรือแท้จริงอัลลอฮ์ทรงทําให้หลงผิดแก่ผู้ที่โปร่งทรงประสงค์ก็จะทรงชี้ทางที่ถูกต้องแก่ผู้ที่โปร่งทรงประสงค์ดังนั้นเจ้าจัดทําทให้จิตใจของเจ้ากลับกลายเป็นระถมทุกข์เนื่องจากพวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์นั้น เเป็นผูู้้ส่่งงงรถึิทีพวกขาจะทรอบเป็นผู้สง่ ง, สงลมทั้งหลายออกไปแล้วมันได้ทำให้เมฆ ก, ก่อตัวขึ้น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 والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواج وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمها وما يعمر من عمر ولا يقص من عمره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 และทะเลทั้งสองนั้นไม่เหมือนกันอันนี้จืดสนิทอร่อยน่าดื่มพอใจในเครื่องดื่มของมัน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 يُولِجُ اللَّيْلَ ف ي ا ل ن َ ا ر وَيُولِجُ النَّهَارَ ف ي ا ل ل َّ ي ْ ل وَسَخَرَ الشَّمْسَ و َ ا ل ْ ق َ م َ ر ك ُ ل ُّ يَجْرِي ل ِ أ َ ج َ ل ٍ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ل ه َُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ ط م ِ ي ن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 พวกมันไม่ได้ครอบครองสิ่งใดแม้แต่เยื่อบางๆที่หุมม้มเมล็ดอินทลพลาบ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 يا أيها الناس ن ت الف م الفقراء ل ى الله والله هو الغني ا ل ح م ي د โอมนุษย์ทั้งหลายพวกเจ้าเป็นผู้ขัดสนต้องการพึ่งอล l ะ a แต่าลา l a h นั้นพระองค์ทรงมั่งมีอย่างล้นเหลือผู้ทรงได้รับการสรเสริ Y y ikum, in, al หากพระองคทรงประสงค์พรค์ก็จะทรงให้พวกเจ้าูญสิ้นไปและจะทรงนามาซึ่งกลุ่มชนรุ่นใหม่และในการนั้นมีใช่เป็นการยากแก่อัรเลหากระอง์งประสงค์รงก็จะงให้พวกเจ้าสูญสิ้นไปและจะงนำมาซึ่งกลุ่มชนรุ่นใหม่และในการนั้นมีใช่เป็นการยากแก่อรรรเลย و َ إ ِ ذ تَدْعُ مُثْقَلَةً إلَى حِمْلِهَا لَا ي ُ ح ْ م َ ل ْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ب َ ا ق ُِ ب َ ا إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُ الصَّلَاةِ و َ م َ ن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيد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 และเจ้าไม่สามารถที่จะให้ผู้ที่อยู่ในหลุมฝังศพได้ยินได้เจ้าไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นผู้ตักเตือนแจ้งข่าวร้ายเท่านั้นอออิน ا إ ินนนาารฮีีวมม ถ้าจริงเราได้ส่งเจ้ามาด้วยสัจธรรมเป็นผู้แจ้งข่าวดีและก็เป็นผู้แจ้งข่าวร้ายและไม่มีประชาชาติใดแอดีตเว้นแต่จะต้องมีผู้ตักเตือนถูกส่งมาอย่างพวกเขา และหพวกเขาปฏิเสธเจ้าแน่นอนบรรดาผู้ที่มาก่อนพวกเขาก็ได้ปฏิเสธมาก่อนแล้วบรรดาศาสนาทูตของพวกเขาได้นําหลักฐารนั้นชัดแจ้งมาอย่างพวกเขาและด้วยคําฟีต่างๆและคําฟีอันแจ่มเจริญถ้าได้ลงโทษบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา ดังนั้นการปฏิเสธต่อเราจะเป็นอย่างไรต่อพวกเขา จะไม่ได้พิจารณาดูดอกหรือว่าแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นทรงให้น้ำฝนหลั่งลงมาจากฟากฟ้าแล้วเราเอาลัลลอด์ได้ให้พืชผลงอกเงยออกมาจากน้ำนั้นสีสันของมันแตกต่างกันไปและในเครื่อเขานั้นมีชนิดต่างๆขาวและแดงหลากหลายสีและสีดำสนิท َمِنَ النَّاسِ وَالْزَّوَادِ وَالْأَنْعَامِ مُكْتَلِقٌ إِنَّمَا إن أَلْوَانُهُ اللَّهَ كَذَالِكِ يَخْشَ และในหมู่มนุษย์สัต์และปะสุสัตว์นั้นก็มีหลากหลายสีเช่นเดียวกัน แท้จริงบรรดาผู้ที่มีความรู้จากพวงบ่าวของพระองค์เท่านั S <S food, t <t ้นที่เกรงกลัวอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงอภัยเสมออิินนลดีมูวก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 และบางคนในหมู่พวกเขาเป็นผู้รุษหน้าในการกระทำความบีทั้งหลายด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์นั่นคือความโปรดปรานอันในนนนหญ uh ah ha ่หลวงสวนสวรรค์นอันหลากหลายเป็นที่พำนักอนันสถาพร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 و َ ه ُ م ي َ ص ط ر ِ خ و ن فِيهَا ر َ ب ّ ن ا أ خ ر ج ن ا ن َ ع م ا ل ص َ ا ل ِ ح ا غ َ ي ر ا ل ذ ي ك ُ ن َ ا ن ع م ل أ َ و ل َ م ن ع َ م ِ ر ك ُ م م ا ي ت َ ذ ك َّ ر ف ي ه ِ م َ ن ت َ ذ َ ك ر و ج ا ء ك ُ م ا ل ن ذ ي ر ف َ ذ و ق ُ و ا فَمَا ل ل َّْ ا ل ِ ي ن م ا ل ن َّ ص ي ر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 จะไม่เพิ่มอันใดให้แก่พวกปฏิเสธสถานอกจากความหายนะเท่านั้น。<S <S.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 يَحِيقُ الْمَكْرُ بِأَهْلِهِ يَعَضُرُونَ ด้วยการหญิงยะโสในแผ่นดินและการวางแผนชั่ว แต่แผนชั่วนั้นจะไม่ห้อมล้อมผู้ใดนอกจากเจ้าของของมันเท่านั้นพวกเขาจะคอยอะไรอีกเล่านอกจากแนวทางของบัตรพชนดังนั้นเจ้าจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงในแนวทางของอัลลอฮ์และเจ้าจะไม่พบการผันแปรในแนวทางของอัลลอฮ์แต่ประการใด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 และหากอาลัลลอฮ์ทรงเอาโทษมนุษย์ตามที่พวกเขาได้ประกอบเอาไว้แล้วพระองค์จะไม่ทรงให้เหลือไว้บนหน้าแผ่นดินซึ่งสัตว์โลกต่างๆแต่ว่าพระองค์ทรงประวิงเวลาให้พวกเขาจนถึงเวลาที่ถูกกำหนดไว้ทันเมื่อกำหนดวาระาของพวกเขามาถึงแท้จริงอลัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงเห็นปวงบาวของพระองค์เสมอ